นี่คือรายการเปิดทำที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมบ้านดอคอมอาตมาพระไพบูลอภิปุโนมาพร้อมกับคุณหมอรัตพงศ์ครับกราบนรสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์รัตพงศ์กหนกวิรุณจากกรุงเทพครับบางทีพูดเดีไปลิ้นก็พันกันจากคอมเป็นขมเลยครับคือตอนนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องว่าในตอนที่46ไหมอ่46ตอนที่46นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ขออธิบาย พูดตามใจฉันชนิดหนึ่งคือมี ม, ม, มอีอุบาสิกาท่านหนึ่งโทรมาหาอาตมาแล้วบอกว่าจะเลิกกับสามีนะแล้วก็เลยจะมาโทรมาปรึกษาคือในความเป็นพระเนี่ยนะอาตมาต้องขอบอกองี้ว่าถ้าคนจะแตกกันเนี่ยหน้าที่ของพระเนี่ยคือสมานคนที่แตกกันเขาเป็นสามีภรรยายอยู่ใช่ไหมถ้าเราบอกให้เขาเลิกนะแล้วเขาเลิกจริงจริงอาตมาเป็นอาบัติปัจจิติเพราะทําให้ ค, คนแตกกัน สองถ้าเบิดว่าเขายังไม่ได้แต่งงานกันแล้วเราพูดให้เขาชอบกันจนเขาไปแต่งงานจริงๆเราเป็นอาบัติสังกาดิเสร็โอ้โหนักกว่าหนักกว่าครับแล้วถ้าเราไปแต่งงานกับเขาแต่งงานกับใครแล้วเรามีเพศสัมพันธ์เราเป็นอาบัติประราชิกอืหนักที่สุดหนักที่สุดเพราะฉะนั้นมันไล่ไปอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นถ้าถามเรื่องเนื้อคู่ว่าโอ้ฉันจะแต่งกับคนนี้ดีไหมถ้าเราบอกว่าเออดีละแล้วคุณไปแต่งกันจริงๆอาลมหอาบัติสังกาดทเสร็จนะหมอละทง Oh. เสี่ยงนะต้องไปติดคุกพระอยู่อย่างน้อยหกวันครับแต่ถ้าเราเขาจะเลิกกันเราบอกเออเลิกเถอะแล้วเขาเลิกกันจริงๆนะเราอาบัติปัจจิตีนะเราต้องถูกปรับความดีนะถูกรปรับด้วยกุศลธรรมถูกปรับเป็นเงินนั่นแหละเงินของพระความดีครับเพราะฉะมันเสียงมากในการที่เราจะพูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้อถามว่าคุณจะเลิกกันเพื่ออะไรถ้าคุณจะเลิกกันนะคุณเราจะต้องบอกให้เขาสามาัคคีกันถ้าเราบอกเขาสามาัคคีแล้วเขาไม่ชอบแล้วเขาอยู่กันไม่ได้จริงๆริงเขาก็เกียดเราอีก อหนึ่งหมดไหมฉันพูดไม่เหมือนหมอดูนะหมอดูนี่เขาจะพูดแบบพูดตามใจเราใช่ไหมแล้วอยากฟังอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมพอพูดเสร็จปุ๊บเออฉันรู้สึกว่าหมอดูคนนี้ดีจังเลยพูดเหมือนที่ฉันดูแต่พระองค์นี้เหมือนพูดอย่างนี้เลยฉันอยากจะเลิกเธอพูดให้ดีกันเกียจมันอืขัดใจเพราะฉะนั้นเราก็มีความกระอักกระอ่วนในการที่จะพูดครับให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเรื่อสินของพระเป็นอย่างนี้ ประการที่สองนี่คือประการที่หนึ่งเรื่องของวินัยประการที่สองถามว่าคุณจะเลิกกันเพราะเหตุอะไรอย่างสามีภรรยามันเข้ากันไม่ได้แต่เมื่อเข้ากันไม่ได้คุณเอาอะไรมาวัดเอาศีลเอาทิฏฐิแม่พระเจ้าบอกว่าถ้ามีสี่อย่างสองอย่างนี้เสมอกันนะไปอยู่กันได้ศีลทิฏฐิหรืออีนัยยะหนึ่งมีสี่อย่างจาคะศีลสัทธาปัญญากพูดอีกทีหนึ่งให้มันช้าๆหน่อยนะจาระการให้สัทธา ศีลปัญญาถ้าเสมอการพูดใหม่ดีกว่าเสมอกัรเนี่ยคือจะเจอกันทุกพบทุกชาติเจอชาตินี้แล้วก็เจอชาติอื่นอีกนะนี่คือจะเจอกันไปเรื่อยๆด้วย เ, เหตุสอย่างใช่ครับคู่บารมีครับทีนี้ถามว่าถ้าเผือว่าเขาไม่มีไม่ตรงกันเอาคุณแต่งงานไปแล้วใช่ไหมคุณไม่ตรงกันนะถามว่าคนนี้เขามีศีลไหม ศีลเนี่ยคือเบสิกรี quire ไม่ของความเป็นคนถ้าคุณมีศีลออกเควคุณเบียงเป็นคนอยู่เป็นมนุษย์ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่คนนะมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นมนุษย์แล้วก็ดีถต่ว่ามนุษย์แล้วถามว่าบางคนเนี่ยคู่ครองบางคนนะคาดหวังว่าคู่ของฉันฉันไปวัดเธอต้องไปด้วยฉันไปเสบะเธอต้องใส่ด้วยฉันไปปฏิบเธอต้องไปด้วยแล้วฉันจะคุยเรื่องธรรมะเธอต้องคุยด้วย ถ้าเธอไม่คุยเธอแย่<ม>ถ้าเธอไม่ไปกับฉันเธอแย่ถ้าเธอไม่ใส่บากับฉั น, เ ธ, นเธอแย่เราเข้ากันไม่ได้หรอกเลิกอ<ม>ไม่ได้นะแต่ว่าคุณคเอาอะไรมาเกณฑ์ในการว่าคุณต้องใช้ถ้าคุณศึกษาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะศึกษาสิ่งนี้เป็นปาปุลคุณต้องใช้สิ่งที่เป็นพุทธวจนะวัดสิถามว่าอ่ะผู้ชายผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงคุณฟังอยู่ใช่ไหมคุณมีผัวหรือคุณมีสามีที่มันมีคุณสมบัติที่อาตมาพูดมาอย่างเงี้ยมันไม่ไปกับเราใส่บามันก็ไม่ใส่อ ไปเรียกไปวัดมันก็ไม่ไปถามว่าแต่เขายกย่องภรรยาไหมเขาไม่นอกใจไหมเขาซื้อของให้เราบ้างไหมเขามอบหน้าที่ความเป็นใหญ่ให้ไหมเขาไม่ดูถูกดูหมิ่นเราไหมถ้าครบ ห, ห้าข้อเขามีธรรมะนะอธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ไอยู่ที่ว่าคุณ อ, อไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับอยู่ที่บ้านนั่นแหละถ้าเขาทําหน้าที่ของสามีเขาดีเขาก็ดีอืคุณเป็นภรรยาใช่ไหม คุณคเป็นภรรยาคุณทำหน้าที่ภรรยาคุณหรือยังถ้าคุณทำแล้วใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ดีขึ้นก็ทำแค่ห้าอย่างคุณเป็นคุณจะเป็นภรรยาผู้มีอุปการะไหมอย่างสมมุติอารมาบอกว่าคนไม่มีศีลเนี่ยนะบเราควรจะอุปการะให้เขามีศีลแต่แล้วเรารไม่ทำทุกคนหรอกบางคนเราพูดไม่ฟังพูดเขาฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดแล้วเขาจะไม่ฟังเราเราก็ไม่พูดครับแต่สมมติถ้าเป็นพ่อแม่ นะคือสมมตุติพ่อแม่ของเราเป็นคนไม่มีศีนเราต้องพยายามทุกวิถีทางพยายามให้ท่านเป็นคนมีสินท่านมีสีนคุณคจะตอบแทนบุญคุณมานาบิดาได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นนะคนข้างบ้านคุณไม่ต้องแคร์ก็ได้แต่ถ้าเป็นพ่อแม่คุณยังไงคุณต้องทําเอาแล้วถ้าเป็นผัวละ่ะถ้าคุณทําคุณเป็นเมียคุณไปทํากับผัวอย่างนี้ใช่ไหมคุณจะเป็นเนมียผู้มีอุปการะ<อ>นึกออกไหมแล้วแบบมันจะต้องขวนขวายในการทํานะก็ถ้าคุณทําคุณเป็นผู้มีอุปการะไง ถ้าคุณไม่ท<ต>ําคุณก็ไม่มีแม้ถ้าจะบอกว่าเลิกไปนะเราถ้าเขาเลิกจริงๆเราก็จะเป็นอาบาอาัติจิตตนะีอย่างไรก็ตามก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ไม่ได้ก็กอดทนเอาอดทนไม่ได้อีกคุณจะอุปการะเขาไหมอุปการะไม่ไหวอดทนไม่พอก็ต้องหาวิธีที่มันจะลงตัวได้นะเอาฝ่ายผู้ชายเป็นยังไงฝ่ายผู้ชายมาวัดศึกษาธรรมะเรียนทําวินยัยแล้วก็ท่องพุทธวจะนะได้ผู้หญิงมันไม่เอาเลยเอผู้หญิงนี่ถามว่าเขาตีให้่ไหม เขาไปทําสิ่งที่เสี่อมเสียไหมเขามีคุณสมบัติของภรรยาที่ดีไหมดูแลครอบครัวของเราอย่างดีรักษาเงินทองที่เก็บไว้ให้ไม่นอกใจคุณสมบัติของภรรยา5อย่างเขามีไหมถ้ามีดีแล้วเป็นธรรมเดีเป็นภรรยาที่ดีแล้วเป็นสามีที่ดีแล้วพอจะดึงขึ้นได้อืมถ้าดึงขึ้นได้ระดับไหนก็ระดับนั้นแหละเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าของเขาไม่เท่ากันคุณคอมมิชแล้วนี่คุณคอมมิชว่าคุณจะอยู่กับเขาแล้วคุณก็ต้องอยู่กับเขาสิถ้าคุณอยู่กับเขาไม่ได้คุณจะ ก็แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะอาตมาทําหน้าที่ของสมณะให้ฟังสิ่งที่ยไม่เคยได้ฟังทําสิ่งที่ฝังให้แจ่มแจ้งไม่บอกให้คนเลิกกันะเพราะฉะนั้ น, ะนคุณก็พิจารณาว่าคุณมีความสามารถพอที่จะอุปการะเขาไหมคุณมีความสามารถพอที่จะเกื้อกูลเข้าไหมนึกออกไหมนีึก็ออกครับออ่าสิ น, นในที่นี้คือสินห้าสินห้เบสิคธรรมดาเลยเบสิคเลยนะครับครับเวลาเราไปทําบุญสร้างบุญน่ะ ที่เราพูดถึงตอนก่อนก่อนนู้นว่าเราแบ่งบาปก็ได้แบ่งบุญก็ได้นะใช่ครับคือเราไปทำบาปสักอย่างหนึ่งคนหนึ่งเขาเห็นแล้วเขาสมน้ำหน้าด้วยเออดีละแกไปทำบาปดีเขาก็แบ่งบาปเราไปหรือเราไปทำบุญปรากฏเขาไม่ยินดีด้วยเขามาด่าทอเลยเขาก็เอาบาปไปตั้งแต่ที่เราสร้างบุญ<ช>เพราะนั้นตรงเนี้ยถามว่าเราไปทำบุญเราไปทาความดีมากลับมาบ้านหน้างอใส่กันมันเอาบาปมาให้กัน ทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเราต้องมีกุศโลบายในการที่อยู่ร่วมกันต้องอดทนกันบ้างความที่จะมาอยู่เป็นคู่เนี่ยมันก็ก็มีมันต้องกระทบแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิถีชีวิตของคนครองเรือนอืมใช่อ่อวาวิถีคารวะก็เป็นผู้ยังยินดีด้วยการเสพกามเขาก็ต้องไปมีกู้ครองไปหาเงินไปใช้สอยสิ่งที่ประณีตตามเรื่องราวของคนเสพกามครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อาจมาแนะนาเอ่อ เอาพระพุทธเจ้าแนะนําดีกว่าครับพุทเจ้าก็ไม่ได้พูดตรงตัวว่าถ้าคุณยังไม่แต่งงานคุณอย่าแต่งงานถ้าคุณแต่งงานกันแล้วคุณอยู่กันให้รอดพระุทธเจ้าก็จะไม่ได้พูดอย่างนั้นเป๊ะๆนะแต่ดูจากธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติใช่ไหมก็จะบัญญัติว่าถ้คุณจะอยู่ยังไงกันถึงรอดะหน้าที่ภรยรยาสามีมีเท่านี้ถ้าสามีไม่ทําตามนี้ใช่ไหมคุณอย่าไปแบ่งบาปเข้ามาอันไหนเป็นกรรมเขาให้ยกเป็นกรรมเขาเข้าใจไหมถ้าสมมติเขาไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมบัตของสามีเลย ตั้งแต่แต่งงานกันมามันไม่เคยซื้ออะไรให้เราเลยแล้วก็ยังจะไม่มอบความไว้วางใจให้นะด่าเมียด้วยไม่มีคุณสมบัติของความเป็นสามีที่ดีนะไลนมันเพิ่งออกหลังจากแต่งงานไปก็<ม>คงจะต้องอย่าแบ่งบาป้ามาถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันนอกใจเราเราก็ไม่นอกใจได้คุณแบ่งบาป้ามาทันทีเอถ้ามันด่าเราเราด่ามันได้คุณแบ่งบาปาา้าม<แ>าทันที<ม>อย่าแบ่งมานะ<แ>เราตั้งมั่นอยู่ในความดีนะมันจะ<แ>ค่อยค เชิญเอาโอเคลักจากนี้นะครับแล้วถ้าระวางเป็นอุเบกขาสมมติเขาว่าเราจะทนได้สักเท่าไหร่อะมาทัศน์ธงมันนอนด้วยกันทุกวันอยู่ข้างเตียงกันทุกวันนอนเจอหน้าตื่นเช้ามาก็บึ้งใส่กันครับคุณจะอุเบกขาได้นานเท่าไหร่คนเรามีความอดทนจํากัดใช่ครับคุณทนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่คุณต้องอยู่ในมัดคุณดองน้ำมาไม่ได้คุณดองน้ำมาคุณแบ่บาปเข้ามาทันที ใช่ครับคุณจะอุปการะเขาได้ไหมทํำไมลูกเรายัางรักได้พ่อแม่เรายัางต้องช่วยเหลือใช่ไหมให้ท่านตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะเราพอช่วยได้เราทำอดทนไว้นะอย่าให้มีอ อ, อะไรที่มันพอจะเป็นเรื่องราวเราก็พูดอย่างอื่นนะอดทนกันไว้ส่วนที่ยังไม่แต่งงานก็ให้มองเห็นโทษในสังสารวัตรให้มองเห็นว่าคารว่ะเป็นทางใหม่ทุลีบรรพชาเป็นโอกาสบ้างบังมบวดซะหรือไม่ก็ มาพูดปรมาจารย์ในรูปแบบใดๆถึงจะดีครับอันนี้ไม่ใช่คำพุทธเจ้านะที่บอกว่าถ้ายังไม่แต่งงานอย่าแต่งถ้าแต่งกันแล้วอยู่กันให้รอดอ๋อนี่ไม่ใช่พุณวัจนะแต่เป็นข้อสรุปของพระไพบรูนครับเป็นความเห็นของท่านครับใช่ครับนี่คือเรื่องที่ต้องการจะพูดตามใจฉันวันนี้ครับต่อไปพูดถึงจะมาเข้าเนื้อหาแล้วจะเปิดรายการละ เปิรายการนี่ก็คือตอนอะไรนะตอนที่สี่สิบหใช่ครับตอนที่สี่สิบหกเราก็เคยพูดเรื่องนิค้างกันอยู่เอาเราคาถามมาตอบก่อนดีกว่ามาละทงครับคําถามจะมีสองสองท่านนะครับทันแรกก็ของคุณรัตนานะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าสะดุ้งหวาดเสียวนะครับท่านคือสะดุ้งหวาดเสียวคือเป็นพุทธวิชนะอันนี้คําว่าสะดุ้งเป็นพูดที่ ไม่สะดุง้งพระอาหารหันต์เนี่ยไม่สะดุง้งนะสะดุ้งหวาเสียวเนี่ยหมายถึงที่เขาถามมาถึงหมายถึงความกลัวตายในพบหน้า<ป>หรือไม่ในะรวมถึงอาการสะดุ้งตกใจแบบฟ้าผ่ามีคนมาจัดเอะข้างหลังอย่างนี้หรือเปล่าคําว่าสะดุ้งในที่นี้พระเจ้าอธิบายไว้ยาวนะบอกว่าสรุปความว่ามีความหวั่นไหวตามความเปลี่ยนแปลงของขันต่างหสรุปได้แบบนี้สมมุติว่าขันห้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะมีความ สะดุ้งหวาดเสียวด้วยเหตุปัจจัยคือถ้าคุณเพลินในขันห้านั้นสมมุติรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเราเพลินในรูปนี้ถ้ารูปนี้เปลี่ยนแปลงไปเราจะตายไปตามรูปเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปนี่แหละคือความสะดุ้งครับเช่นถ้ารูปไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาเราก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจถ้ารูปเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเราก็จะมีความเพลิดเพลินยินดีอันนี้ก็เรียกว่าสะดุ้ง สะดุ้งหวาดเสียวเพราะฉะนั้นพออาจมามาเข้าใจเนี่ยท่านปุทธธาเขียนไว้ในโน้ตของท่านครับข้อที่เจ็ดสิบแเนี่ยละมั้งในอริยสัจพระโอษฐ์นะที่ท่านอธิบายเรื่องของความสะดุ้งเนี่ยท่านพูดไปอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปจ้เอ๋หรือยิงปืนใส่ข้างหลังให้เสียงดังๆกับพระอรหันเนี่ยท่านจะไม่ตกใจไม่ใช่อย่างนั้น<อ>เพราะตรงนั้นเป็นรีเฟล็กของร่างกายคุณเอามือลูกผ่านหน้าเงี้ยตามันต้องกระพริบ ใช่ครับหรือว่าเจอของรอดมันต้องสะดุดต้องดึงมือกลับดึงมือกลับนั่นเป็นรีเฟล็กของร่างกายแต่ความสะดุ้งหวาดเสียวในที่นี้หมายถึงความไม่หวั่นไหวแต่ความหวั่นไหวไปตาความเปลี่ยนแปลงของขันตั้งหากเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าวู้อาหารเนี่ยไม่สะดุ้งหวาดเสียวตายไม่กลัวเงินหายไม่เศร้าฝนตกโอเคกไม่สะดุ้งหวาดเสียวในใจ ถูกด่าไม่โกรธอย่างนี้ใช่ไหมครับน้ำท่วมไม่เป็นไหลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้อนี่คือข้อที่หนึ่งคิดว่าเข้าใจไหมคุณมอพระพุธงค์เนาะจะต่างกันอยู่อย่างพระอรหันทรถูกว่าถูกอย่างเงี้ยถูกด่าอย่างเงี้ยแล้วไม่โกรธอย่างนี้เข้าด้วยไหมครับใช่ใช่ครับอครับหรือว่าปรารถนาสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอก็หวังอยู่แต่แต่ไม่อยากอื อันนี้จะเป็นตอนอถามของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติต่อไปหรอกที น, นี้มาถึงคําถามที่สองของคุณรัตนาของคุณรัตนาคือบอกว่าคําว่านามในปฏิจจสมุปาทเนี่ยคือก็รูปเด่นนะฮะก็รูปนามเป็นฉนัยก็คือนามรูปใช่ไหมนามรูปเป็นฉนัยที่นามพูดถึงพระพุทธบอกว่าเวทนาสัญญา จ, จิตนาภาษามนุสสิการอันนี้คือยินนามใช่ปะ เราจะมายกตัวอย่างของยุงกัดขึ้นมาทีนี้เขามีความเข้าใจว่าไอความรู้สึกแว๊บๆที่แขนเนี่ยคือผัสสะใช่ไหมแล้วเรารู้อ๋ออันนี้ยุงกัดความว่ายุงกัดเนี่ยคือสัญญานะ<อ>แล้วพอมีอการรู้สึกเจ็บเจ็บนี่ก็คือสัญญาเหมือนกันพอเจ็บแล้วเนี่ยไม่ชอบนั่นคือเป็นเวทนาเวทนา บ, บางคนเจ็บแล้วชอบก็จะเป็นสุขเวทนาบางคนเจ็บแล้วไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาท เวทนาครับทีนี้พอเราคิดว่าเอยจะตกให้มันตายอันนี้คือเจตนา<อ>แล้วมานศสิการแล้วก็ตอบว่าไม่ตกอันนี้ก็เข้าใจถูตกต้องเข้าใจถูตกต้องต่อให้จบนะนะในเรื่องของนนวรูปคือคถึงบอกไงว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการอธิบายการทำงานของขันธ์้าในรายละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นท้าที่อาจมาพูดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือห้าอย่างตรงนี้ถ้าเราจะอธิบาย ในรูปของการห้าใช่ไหม ร, รู้สึกแวบๆนี่เป็นเป็นผัสสะผัะใช่ไหมไหลามาเรื่อยๆก็เวลาที่เราจะตอบสนองว่าฉันจะฆ่าแกให้ตาย น, านี่คือสังขา ร, รแล้วเราก็ใช้ไม่ฆ่าก็แล้วกันก็นี่สังขารปรุงสังขารให้เป็นสังขารอีกอย่างหนึ่ ง, งก็ลักษณะนี้ทีนี้คำถามของคุณรัตนานีถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าถึงไม่เรียง เรียงเอาภาษาไว้ข้างหลังไม่เอาภาษาไว้หน้าเวทนาเออเขาอ้าใจถามกันนะ<ช>คือคเวทนาสัญญาจเจตนาภา<น>ษามาในสิการใช่ไหมทําไมไม่เอาภาษาไว้หน้าเวทนาและเวทนาไว้ข้างหลังเวทนาทําไมถึงเอาภาษาไว้ข้างหลังเวทนามีนายายัยยะอย่างอื่นไหมอันนี้ไม่ทราบกันก็ไม่เจอเจอที่อื่นนอกจากที่นี่นารูปท่านละเอียดนะฮะอุสาใช่ใช่ผมก็เออไม่ไม่ไม่เคยนึกสังเกตเหมือนกันว่าเอ มันอาจจะอย่างนี้หมว่าเวทนาที่พระเจ้าเรียงในเรื่องเวทน า, ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมถ้ า, าอันนี้เราเรียง ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสังขารวิญญาณตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นสังขารคือเจตนาใช่ไหมภาษะมรรสิกา ร, รน่าจะเป็นวิญญาณสังขารวิญญาณเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันคาราเดาเอาว่าประมาณนี้ครับ ก็ไม่ได้เคยเจอที่อื่นในลักษณะนี้เหมือนกันนะนะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีอครับทีนี้คุณรัตนาก็ยังพูดถึงในเอพิส od ก่อนๆที่อาตมาพูดถึงการสังฆนานาเนี่ยว่าเจ็ดวันไม่ใช่สามเดือนหรือว่าอย่างไรคือเข้าใจว่าเข้าใจว่าต้องเป็นสามเดือนคือหมายว่าเจ็วันเนี่ยหมายถึงหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเจ็ดวันครับจึงมีการเผาใช่ไหมพระราชทานเพลิง พอถวายพระเพลิงเสร็จอีกเจวันนะถึงจะมีการสังขยาณาแล้วสังขยนาไปใช้เวลาสามเดือนครับก็จะตัวเลขจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การสังขยาณาใช้เวลาเจ็ดวันเพราะมันเรื่องละเอียดมันเยอะในการสังขยาการนั้นก็ใช้เวลาสมเดือนนั่นแหละแต่ทําหลังจากการวันอัตมีบูชาไปเจวันอัตมีบูชาครับเก็บครับขอย้อนกลับไปเรื่องตอนตามใจฉันนิดนึงนะ เกิามาอาจจะพูดแล้วอย่าเสียใจแล้วเราก็พูดตามสิ่งที่เป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไวา้แล้วเราความเสียใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเห็นทุกข์แล้วเราจะต้องเห็นธรรมได้แล้วเราก็จะคือถ้าพูดไปแล้วจะกระเทือนใจใครมันต้องขอโทษน ะ, ระเราอาจจะทำไม่ดีก็ก็ขอโทษนะแล้วก็ มันเป็นธรรมเป็นวินัยซึ่งกล<อ>่าวตามนั้นนะครับไม่ไม่ได้เจตนาว่าจะให้เสียใจใช่ไหมครับประ ม, <c oughs> มาณนี้แหละ <c oughs> เอาต่อไปตอบคาถามที่สองจากท่านผู้ฟังครับที่ใช้นามว่าท่านผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับคือท่านนี้เนี่ยท่านเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านได้รับทุกจากน้ำท่วม<อ>แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังท่วมอยู่ลดไปนิดเดียว <c oughs> ทีนี้ท่านท่านบอกว่าแต่ว่าความทุกข์ทันใจท่านลดลงเยอะเลยนะครับจากการได้ศึกษาและก็ได้ฟังธรรมนะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าคนที่จะบรรลุโสดาบันเนี่ยเหมือนกัว่าจะจะจำได้ว่าตัวเองบรรลุโสดาบันในช่วงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านจะจําได้แล้วก็อยากจะทราบเรื่องของอการละสังโยสามนะครับที่จะทําให้บรรลุโสดาบัน คือแปลว่าเราบรรลุโสดาบันตอนไหนคนนั้นจะรู้ไหมอ่าใช่ครับจะรู้จะรู้อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นโสดาบันครับคือจะได้จะได้จะไดจะไม่จะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าคือป้ายโสดาบันจะไม่ขึ้นมาให้ว่าิ้งๆิ้ด้จุนใจโสดาบันไม่เป็นอย่างนั้นอ่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคุณจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่พระลานจะจะเป็น จะมี <m> ป้ายวิวอร์ดขึ้นมาอ่าคุณได้เป็นพระแล้วนาโอ้ขนาดนั้นนะครับเราว่าพุทธเจ้าพูดไว้นะพุทธเจ้าตรัสไว้เองนะ<อ>เธอย่อมรู้รชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารีอยู่จุลกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจผู้ควาเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกครับนี่คืออยู่ในในโค้ดในเครื่องหมายโค้ดซึ่ง<อ>ซึ่งอันนี้เป็นวิมุติญานาศาสนาซึ่งมันจะต้องรับรู้ได้เครื่องรู้ในวิมุติเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นใช่ครับอ่าแต่คนที่เป็นโสดาบันนี่จะ จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เหตุการณ์เหล่านั้นที่คุณจําได้ทั้งหมดหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นโสราบันแต่ที่แน่ๆ น, นะที่แน่ๆคุณจะรู้สึกทุกน้อยลงมากอืมจริงครับท่านคุณจะรู้สึกทุกน้อยลงมากแล้วก็ อ, อาจจะเต็มด้วยเหมือนกับว่าปัญญาสมาธิอะไรเงี้ยอาจจะถึงพร้อมมากพ อ, อสมควรครับครับก็จะเป็นระดับนั้นไปอืมเนาะ อีกประการหนึ่งที่ถามถึงคำว่าทําอย่างไรถึงจะละโสดาบัน เ, เป็นโสดาบันได้ใช่ไหมว่าสัญญาสามชาตินี้ต้องบรรลุโสดาบันใช่ได้ถ้าอยากเนี่ยจะไม่ได้อืมแต่ถ้าหวังนี่พอได้อยู่ครับเพราะว่าความอยากเนี่นะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าคุณอยากพ้นทุกข์แล้วคุณอยากเนี่ยคุณไม่ได้อยากเนี่ยยังเป็นนิวรณ์ถ้าคุณบอก ค, บคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงจิตไม่มีสมาธิมันจะไปเห็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่าอยาก อแต่ให้หวังหวังได้นะที่พี่เจ้าเคยค บ, บอกว่าเอาถ้าคุณจะเอาบีบรีดน้ํานมจากแม่โคนนมเนี่ยถ้าคุณหวังหรือคุณไม่หวังคุณจะต้องได้อืมท <ำ S 2> ําความหวังหรือทําความไม่หวังเพราะฉะนั้นหวังกับอยากไม่เหมือนกันครับอก็ใช้บทเพียรชนะให้เนียบเหมือนอย่างที่พระเจ้าใช้ก็จะดีครับอ่ปรารถนาก็จะเป็นทุกข์อยากก็นี่เหตุแห่งทุกข์ตัวจริง ปรารถนาได้ว่าขอได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นจะเป็นทุกข์แต่ถ้าใช้หวังเนี่ยมก็จะได้อยู่อืมคือถ้าเราเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมแต่ว่าจะหวังหรือไม่หวังอย่างนี้จะจะดีกว่าไหมครับท่านใช่สร้างเหตุปัจจัยให้ถูกไงเพราะฉะนั้นจะหวังหรือไม่หวังก็ได้ทั้งนั้นก็เดินตามมรรคนี่แหละครับตามนี้อ่านี่คือคําถามของท่านผู้ที่ถามเข้ามา ก็จะต้องบอกนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับรายการธรรมะต่างๆที่ทําอยู่ตอนนี้คือมีรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จัดอยู่ทุกวันเลยตอนนี้เจวันจันทร์ถึงอาทิตย์ช่วงเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งต5ห้าตีห้าครึ่ม10บนาทีโดยประมาณแล้วก็จะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสักการะกับคุณเตนใจสินทุบานิกวันจันทร์ก็จะ เอาเรื่องอะไรล่ะพุทธประวัติหรือเปล่าครับปริปรยัติที่ไม่เป็นงูพิษอ๋อครับเอาธรรมะที่เป็นหมวดหมวดเนี่ยมาอธิบายในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติวันอังคารนี่ก็เอาเรื่องปัจจุบันมาคุยวันพุธนี่ก็จะเป็นการตอบคําถามของท่านที่ส่งเข้ามาทางวิทยุรประเทศไทยนะวันพฤหัสนี่ก็จะเป็นธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์วันพฤหัสเนี่จะอ่านพุทวจนะให้ฟังแล้ววันศุกร์ก็จะเอาช่วงนั้นเนี่ยพุทธวจนะที่อ่านไปวันพฤหัสเนี่ยมาอธิบาย นี่คือรายการเป็นลักษณะนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจฟังก็ก็เปิดไปฟังได้ทางคลื่เศร้าจะเป็น 92.5 มั้ย 92.5 FM 92.5 ถ้าเป็น AM ก็เป็น891ส่วนทางอุดรทานีก็จะเป็น AM เอ่อขอไป FM 93.75 ครับถ้าต่างจังหวัดอีกก็ติดตามได้ทางเพียวธรรมะ .com เนจะมีข้อมูลว่าจังหวัดในอะไรอย่างไง แต่ก็ขึ้นวิทถุประเทศไทยคิดว่าแต่และพืภู ม, มิภาคก็จะทราบอยู่ครับะจะมีครับทีนี้เรามาถึงเรื่องที่เราจะมาพูดคุยนี่เพิ่งจะเริ่มเข้ารายการนะคุณหมอดชพงศ์ครับโอเค <laughs> อะจะเข้ารายการก็คือพูดถึงเมื่อตอนที่กล่าวไว้เมื่อตอนที่ส <45. S 2> ี่สิบสี่สิบห้าสี่ิบห้าว่าตอนที่สี่ิบหกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องสังคตะกับอสังคตากรรมสังฆตาธรรมครับเอ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องสังกัตกับอสังกต ธ, ธรรมนี่มันจะมีที่เราพูดถึงสติที่เหมือนกับมีคนมาเรียกเราใช่ไหมางปลุกเราให้ตื่นเวกับคอเวกับคอครับทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีเวกับคอมากมากเด็กก็มาสะ ก, กิดเด็กก็มาสะ ก, กิดเนี่ยแต่เราไม่รู้สะ ก, กิดแล้วก็ไม่มีอะไร mm hmm. สะ ก, กิดไหลกลับมาหันกลับมา อ, อ๋อไม่มีใครเรียกหรือวะสะ ก, กิดอ mm ีก hmm. หันกลับมาไม่มีไม่เห็นใครไม่มีอะไรโทรมา mm hmm. อยู่แน่แต่ก็ไม่พูดอะไรต่อไปเบอร์นี้เราไม่รับแล้ว เป็นลักษณะว่าเลิกสนใจไปเลยคอีกนอมันอนี่แหละคือความประมาทแต่เราเราถูกสกิดแล้วแต่เราไม่เห็นเองคุณไม่เห็นนะว่านี่คือคือหลุมพลางอย่างคนทําผิดเนี่ยหมอรัตพงศ์จากเรียนจบหนังสือมาเรียนหนังสือจบมาพร้อมๆกันยี่สิบปีถัดไปเงินเดือนต่างกัน30สิบเท่าก็มี อ่ายีปีถัดไปอีกคนหนึ่งเป็นหนี้จนกระทั่งเกือบฆ่าตัวตายอีกคนหนึงอ่าชีวิตกับรุ่งเรืองขึ้นไหนถามว่าไอ้ช่วง20ปีคุณไม่เจอการเรียนจบกันมาเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรมากหรอกแค่ผิดวันละนิดเดียวผิดวันละนิดเดียวผิดวันละนิดเดียวคุณตัดสินใจอย่างนี้ผิดอ่าได้รับเวกับคอรแล้วไม่ทำไว้ให้คุณอยู่ในสีนแล้วเราตัดสินใจอย่างนี้ผิดผิดเสร็จปุ๊บเวลาไปตัดสินอ่ามีอีกการตัดสินใจตัดสินึ่งตัด มันเปย ไ, ไปเรือ่อยๆเปยไปเรื่อยๆเปย์ไปเรืเ่อยๆหลุดเลยอืแล้วสุดท้ายก อ, อขอให้พระเจ้าช่วยเป็นหนี้อยู่หลายล้านแล้วอย่างนี้นะไม่ได้ละมันก็จ ะ, จะยากเลยว่าะคุณใช้ใชเวลามายี่สิบยี่สิบปีในการที่จะเปมาตลอดทีละนิดถ้าถามว่าอยู่นี่อยู่ที่เดียวตู้มคุณจะกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าเราอย่าประมาทพระเจ้าจึงบอกอย่าประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอย่าเป็นผู้ที่ต้องรอนใจในภายหลังเลยเรียกเรียกเนี่ยเราต้องดูกจิตเราตลอดอย่าผิดนี่มันคือไว้คับคอตลอดมันคือการที่สกิทเรียกเราอยู่ตลอดนักบินนะ่ะนัก บ, บินเขาจะมีถ้าคนขับเครื่องบินเป็นเนี่ยมันจะมีวิธีการที่เรียกว่า cost correction คือกา ร, รจากบินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ย เขาก็ต้องมีแผนที ions, ่การบินใช่ไหมบินจากตําแหน่งไปตาแหน่งนู้นทีนี้กระแสลมเอ่ยวิสัยทัดเอ่ยอุปกรณ์น้ามันอะไรต่างเนี่ยมันทําให้การเส้นทางการเดินทางมันอาจจะไม่ตรงกับแผนที่เส้นเส้นทางการบินอาจจะไม่ตรงกันจริงเพราะนั้นก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า cost correction คือทํายังไงให้เรา stay on cost อยู <S <s <stems from mine> ่ในเส้นทางการบินเส้นทางใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องตรวจสอบตลอดเช็คตลอดว่าเราอยู่ในทางไหยเราอยู่ในทางไหม ไกด์ไลน์คือมักผิองแปดคุณอยู่ในทางไหมคุณอยู่ในทางไหมในสติเนี่ยจะเป็นคอสคอร์เรกชันของคุณครับให้อยู่ในทางเราต้องมีสติอยู่ตลอดพลาดไม่ได้นะเชา้ากลางวันเย็นวันละสี่รอบไม่พอเช้าสายบ่ายเย็นเพิ่มไปอีกแปดรอบไม่พอเพิ่มไปอีกสิบหกอบไม่พอทุกรมาหายใจไปครั บ, รบถึงจะพอ อ, อยู่ในมัคมีสติ มีศีลมีสติรักษาจิตของตนรเราจะไปรอดเราจะไม่เป็นผู้ที่ร้อใจในภายหลังเนาะประการถัดมาเรื่องของสังคตะกับอสังคตะครับสังคตะกับอสังคตะที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของสมาธิที่เราได้พูดไปนในตอนที่แล้ควคําว่าเรยศศีเนี่ยความที่มันเป็นเรศศีเนี่ยนะเป็นอสังคตะธรรม เพราะมันตั้งอยู่แล้วไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏ <ers. S 2> ไม่เป็นไปอย่างอื่นจากนี้อริยสี่คืออ um ริยสี่จบเป็นอย่างอื่นไม่ได้อแล้วก็ใครจะมาบาดยัดอย่างอื่นก็จะไม่เกินไปจากนี้วันนี้จะครอบครุมหมดนะครั บ, รบไม่มีปรากฏมีการเกิดไม่มีปรากฏมีการดับถ้าตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏก็จะเข้าขายข้อที่สามโอเคครับทีนี้เรื่องของสมาธิ ที่พระเจ้าเคยพูดถึงสันทิกะนิพานธ์สันทิิกนิพันธ์ไล่ไปใช่ไหมจากการมาสุกการดับไปเป็นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3มชั้นที่4ี่อย่างสมมุติการดับไปเข้าชั้นที่1เพราะฉะนั้นชั้นที่1เนี่ยคือความดับของการดับไปถ้าวิตกวิจารณ์ดับไปเข้าชั้นที่2เพราะนั้นชั้นที่2เนี่ยคือความดับของวิตกวิจารันต่อไปถ้าเผื่อว่าปีติดับด้วยคุณชั้สาม <letter S 1> <respace S 2> สุขดับด้วยคุณฌานสเพราะนั <Napoleon> ้นฌานสี่คือความดับของความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้คือนิพพานของความสุขใช่ไหมส่วนชานสามคืออะไรฌานสามคือนิพพานของความทุกข์ปิติปิติฌานสามคือนิพพานของปิติชานสองคืออะไรนิพพานของวิตตวิชาตฌานหนึ่งคืออะไรนิพพานของกามครับโอเคนันนี้พูดถึงแค่สี่ระดับ ทนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าในสังฆต ธ, ธรรมกับอาสังฆตาธรรมนี่นะวิราคาเนี่ยจัดว่าเป็นหยอดวิราคาธรรมจัดว่าเป็นยอดเพราะนั้นถามว่าอนามาพูดเลยว่านิพพานเนี่ยอยู่ตรงนี้นิพพานเนี่ยอยู่ตรงนี้หมายความว่าถ้ากามกามของคุณดับนะนั่นแหะคือนิพพานอ๋อเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นทันทีนครับทีบทนี้ตรงเนี้แหละคืออาสังฆตะตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏ เพราะความดับคือมันคือความดับดับก็คือก็คือไม่มีก็คือความดับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏใช่ครับในเรื่องของกามอมอืสมมุตินิพพานของกามคือฌานที่หนึ่งใช่ไหมเพราะนัตรงนั้นเนี่ยไม่มีสภาวะของกามปรากฏนั่นน่ะคือคอสังคตธรรมอือสังคตธรรมอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลอืแต่ว่ามันมีที่สุดจบของมันใช่ไหมคือนิพพาน ตรงที่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละนะนี่นคือวิมุตต์วิมุตต์พูดใหม่การประวัติพรหมจรรย์เนี้ยมีวิมุตต์เป็นอ น, นิสง์เป็นที่มุ่งหมายที่พระเจ้าพูดเอาไว้นะก็จะจะสอดคล้องกันตรงนี้หมอธนพงศ์เข้าใจเนาะเข้าใจครั บ, รบ เ, เข้าใจละดีละมีคําถามในส่วนของสังคตะกับอสังคตะตรงนี้ก็เขียนเข้ามาได้เพราะว่าตรงนี้นเป็นเรื่อง ละเอียดที่คนที่ปฏิบัติเนี่ยแล้วเห็นการดับการมาการไปเข้าออกสมาธิบ่อยๆจะทราบได้ว่าตอนที่กามเราดับไปตอนที่วิตกวิจารณ์ดับไปเนี่ยเราหาวิตกวิจารณ์ไม่มีนะอืมครับถ้าหาไม่มีตรงนี้คือความดับไม่มีสภาวะของวิตกวิจารณ์อยู่เอานี่มันอังจกตธรรมนะครับษณะนีนะครับคือเดิมเดิมเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเข้าใจว่า อ่ะสังคตะธรรมก็คือวิมุตต์เลยเหมือนคำว่าหลุดหลุดพ้นไปเลยจากอสวาทั้งปวงแต่ณวันนี้ก็คือเหมือนว่าอสังคต์ใช่รายละเอียดอยู่อ่าใช่ครับครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ยากที่ต้องอาจจะมามาพูดตรงนี้เพื่อต้องการสรุปว่ามันไม่ได้ไกลเพราะนั้นมันไม่ยากหมายความว่าอย่างเวลาเราเปิดไฟอ่ะถามว่าความมืดอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละ ใช่มันไม่ได้ไกลเลยนะแค่ดับไฟเท่านั้นเองนะความมืดปรากฏทันทีครับแล้วถามว่าไอ้ที่มืดๆอยู่สว่างอยู่ตรงไหนเปิดไฟเท่านั้นเองนะสว่างทันทีนะครับก็ที่เดียวกันนั่ละไม่ได้ไกลเลยใช่ครับครับมันจะมีสภาวะที่หลุดออกจากทั้งสองอย่างนี้ไงอืมนี่นี่คือเปรียบเทียบเฉใๆไม่ใช่พุทธวจนะนะเพราะว่าความมืดความสว่างถ้าพูดจริงๆมันคือความสุขความทุกข์นะแต่อสังกตตาเนี่ยเราพูดถึงหลุดจากทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมแต่ที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆ มันไม่ได้ไกลกันใช่ครับโอเคเรื่องถัดไปคือเรื่องของการด่ากับการด่าตักเตือนตักเตือนเนาะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าบางคนด่าว่าอย่างเวลาเขามีม็อบประท้วงกันอย่างเงี้ยครับเราจะร่วมม็อบนี้ดีไหมพิจารณาเหตุผลครับเออก็ต้องพิจารณางี้เรื่องการด่าเฉย นะนะการด่าเนี่ยเราต้องแยกให้ถูกว่ามันมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นมิจฉาวาจากับส่วนที่เป็นการ <c oughs> ให้เตือนให้กลัวบาปหน้าที่ของมาดาบิดาเนี่ยนะหรือหน้าที่ของสมณะเนี่ยต้องห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นอย่างลูกเราอย่างเงี้ยเวลาเด็กลูกเด็กเล็กแดงเขา่อมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้จักเตารี่ใช่ไหมเขาเอามือไปจับเตารี่เวลามันร้อนๆเนี่ยเขาจะต่อไปเขาจะไม่จับอีก ภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีสำนวนที่เรียกว่าเข็ดปานตอนแมวเข็ดปานตอนแมวหมายควแมวนี่เวลามันจับมันมาตอนนี่นะมันจะไม่ให้เราใกล้มันอีกเลยมันจะเข็ดมากมันจะไม่ให้เราแตะตัวมันอีกเลยมันจะเข็ดมากฝังใจฝังใจเลยจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะคือเขาจึงมีสำนวนนี้เพราะฉะนั้นเราจะเข็ดมากเหมือนกันเด็กแตะตอรี่ก็จะไม่แตะอีก นะทีนี้ประเด็นคือเราต้องห้ามเขาเสียจากบาปนั้นด้วยวิธีไหนละ่ะก็ที่ว่าว่าต้องพูดไปก็อาจจะกระเทือนแต่เพื่อให้เขากลัวไม่ใช่ให้เขากลัวเรานะให้เขากลัวบาปกลัวบาปให้เขากลัวบาปบบนะแล้วการชี้ถูกชี้ผิดการชี้โนะทษทาได้การเพ่งโทษไม่ควรทำมิจฉาวาจาไม่ควรทำ มิจฉาวาจาเพ่งโทษอย่าทำชี้โทษห้ามเสียจากบาบทำได้รูปแบบของภาษาคุณเลือกเอากล่าวเป็นวาจาสุภาษิตก็แล้วกันกล่าววาจาสุภาษิตก็คือกล่าวาจาที่น่ารักแก่ผู้ฟังไม่กล่าววาจาไม่น่ารักเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะต้องเตือนบ้างนะใช่ครับ เหมือนมันอยางตัวเองเนี่ยลูกจะจะบี้งดอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยมันผิดศีลมันเป็นบาปอย่างนี้นะครับออเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ ง, งในเรื่องของมีคําถามไมหมล่ะคุณหมอรัตพงศ์ในเรื่องของตรงนี้ประเด็นว่าการด่าเนี่ยเราควรจะแยกให้ถูกเนาะมีมีทั้งโลกเนี่ยเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าด่ากับดุคือคือจะมีอย่างเช่นเ อ, อ มีมีหมอบางคนเนี่ยอันนี้ยกใกล้ตัวเลยรเขาบอกว่าคือเขา่จะพูดพูดจาเหมือนเหมือนไม่ไม่ค่อยน่าฟังกับคนไข้คนไข้ก็บอกว่าหมอมาด่าหนูได้ยังไงแต่อืมหมอคนนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ด่าแต่เขาดุอ้าวเหมือนกับว่าในคําพูดเดียวกันเนี่ยความหมายอืมคนที่รับฟังคนเออเคย ม, มีการสอนที่เขาสอนว่าเราด่าลูกเนี่ยเราด่านิสัยเราแต่อย่าด่าตัวบุคคล อด่านิสัยที่ไม่ดีตรงนั้นคือหมายความว่าเราประนามเนี่ยเราประนามนิสัยที่ไม่ดีตรงนั้นแต่อย่าว่าอย่าไปว่าบุคคลอก็คือหมายความว่าเราพูดถึงห้ามเขาเสียจากบาปในลักษณะนี้ก็ได้อืมครับฉันรักลูกนะลูกฉันแม่รักเธอนะแต่ที่แม่ไม่ชอบคือเวลาที่เธอไปทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ชอบกับดึกไม่ชอบเล่นเกมแล้วก็ ไม่ชอบเวลาที่เล่นเกมแล้วเกินเวลาแม่ไม่ชอบการกระทำอย่างนี้แต่แม่รักลูกนะอืลูกรักแม่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับใช่ครับเหมือนกับว่าให้ให้เราพูดว่าตัวที่เราไม่ชอบคือตัวนิสัยหรือตัวนิสัยการกระทำครับครัการกระทาแต่ว่าเออลักลูกหมอแล้วพง์มีประกันชีวิตไหมมีครับหลายฉบับเลยครับหมรแล้วประกันชีวิตด้วยศีลหรือจากะจริงจริงก็ คืออันที่พูดประเด็นเนี้เพราะว่าจะข้ามไปประเด็นใหม่แล้วเคยมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นโรคเอชนะพอเป็นโรคแล้วเนี่ยเขามีประกันชีวิตอะไรต่างไงเป็นมะเร็งอะไรต่างเนี้ยนะคืออาดามาก็เลยบอกว่าถ้าคุณซื้อสิรักษาสินข้อสามนี่นะเรียกว่าคุณประกันว่าชีวิตคุณจะไม่เป็นเอดบางส่วนละนะส่วนใหญ่ละเพราะการอแพร่โรคเอดเนี่ยมันมีไดหลายทางใช่ไหมหนึ่งคือการหนึ่งในนั้นคือวิธีการที่ ผิดศีลข้อ3ามเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดตรงนี้ปุ๊บเราประกันชีวิตส่วนหนึ่งละว่าเราจะไม่เป็นเอดเป็นต้นนะแต่ศีลเนี่ยมันยังกินความกว้างกว่านั้นเดี๋ยวคือถ้าเราประกันชีวิตของเราเนี่ยด้วยศีลด้วยจารคาเนี่ยมันจ่ายให้แ้วเราจ่าย<ม>พรีเมียมของค่าประกันชีวิตเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องรักษาศีลให้ฐานเป็นต้นในสิ่งที่เราจะได้รับในชาตินี้นะคือความสุขที่เราได้ยิ่งสองเด้งสามเด้ง ถ้าเราตายไปแล้วเราได้ไปสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณได้รับการเสียหายมีอะไรต่างๆนะแต่ถ้าคุณมีประกันนะด้วยการจ่ายด้วยศีลด้วยจากะเราจะสบายใจอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นให้ทําประกันชีวิตประกันโรคต่างๆนะด้วยศีลด้วยจากะด้วยศีนครับจ่ายพรีเมียมด้วยศีนจ่ายพรีเมียมด้วยจากะ เราจะได้รับผลเป็นความสุขอยู่ในทมได้อแล้วอ น, นิสงก็คือหมายถึงข้ามข้ามการเวลาด้วยใช่จะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นความสุขในภพต่อต่อไปได้เป็นอริยทรัพย์ด้วยใช่ ค, ค, คือสีเนี่ยเป็นส่วนอริยทรัพย์ล่ะจากคะนี่จะเป็นส่วนในภพปัจจุบันครับจริงๆเรื่องของจากคะคนไทยก็ทำกันแยะนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่เจอ ใช่ใช่แต่ว่าพอยกระดับขึ้นมาศีลก็จะบกพร่องบ้างทีนี้กลับมาถึงก็จะสรุปเรื่องที่เราคุยกันมาในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของศีลของพระที่เกี่ยวกับาการคู่ครองรหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นคู่ครองเราพูดถึงวิธีการที่จะ เ, เกี่ยวกับคู่ครองให้อยู่กันรอดอย่างไร ดูธรรมะดูยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องของสังคตะาสังคตะสังคตะครับให้มีสติรเรื่องของการด่ากันว่าที่แยกได้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นการชี้โทษกับการห้ามศียจากบาปกับส่วนที่เป็นการมิจฉาวาจาแล้วก็การเพ่งโทษครับแล้วก็จบกันที่ประเด็นคือศีลกับจากกะเป็นการทําประกันอย่างหนึ่งนะครับ ตัวห้าเจจากบาปแล้วก็ชี้โทษโอเคเข้าใจครับอืมอืตรงนี้ใกล้ตัวครับตรงนี้ใช้ได้ด้วยครับเออีกประการหนึ่งคือเรื่องของรายการธรรมารับรุณทางวิทยุประเทศไทยครับก็คิดว่าถ้าติดตามฟังอันนี้จะได้ประโยชน์มากอย่างไรก็ตามก็คงจะฟังย้อนหลังได้เพราะว่าเรื่องราวในรายการธรรมารับรุณเนี่ยครับอาจมาก็จะพูดไม่เหมือนกับในเพียวธรรมะ เปิดตามที่ถูกปิดภาคออนไลน์นี้เพราะว่าเนื้อหามันก็ต้องเป็นสําหรับคนกลุ่มใหญ่มากใช่ไหมในรายการซึ่งก็จะเป็นคนละแบบถ้าฟังก็อาจจะได้ประโยชน์ในไม่มากก็น้อยครับเข้าใจว่าคนฟังจะทั้งประเทศนะครับเพราะว่าคลื่นของสวทเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเลยใช่รับแล้วก็วันสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพใน FM 106ก็ยังมีอยู่จนถึงสุข เวลาเดียวกันอ๋อของคุณสันชนีเป็นพิธีกรนะครับใช่ใช่เอฟเอมร้อยหกครับตีห้าถึงตีห้ครึ่งเหมือนกันเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเดียวกันท่านผู้ฟังมีความเห็นข้อเสนอแนะอย่างไรใดใดก็ส่งเข้ามาได้ที่ไหนเนาะที่เพียวธรรมะ .com ครับครับแล้วก็ก็จะนำมาตอบให้ได้ฟังกันในตอนหน้าเราจะพูดถึงเรื่องแผนที่การดำเนินชีวิต แต่เราต้องการจะพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งมากมคือสืบเนื่องจากพอเรารมาศึกษาพุทธวจะนะมากๆเนะก้าแนวนำของอรรถพงศ์เราพบว่าถ้าเรารู้ข้อมูล น, นี้นะตอนที่เรายังมีอายุน้อยๆหมายถึงตั้งอยู่ในปฐมวัยแห่งชีวิตเนี่ยนะรเราจะชีวิตเราจะดีขึ้นมากเอาแค่คว่าเราเป็นคราบวา่าเราจะเป็นคราบว่าชั้นเลิอดชั้นเลิอดครับเอาตรงไหนเราจะจับตรงไหนอะไรยังไงมาใช้กันยังไง ในสถานการณ์นี้เราจะใช้ยังไงอย่างนี้นะก็จะมาพูดถึงแผนที่ตรงนี้แผนที่ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วอยู่ในตอนต้นของชีวิตหรือในช่วงกลางของชีวิตหรือในช่วงปลายของชีวิตเราจะเอาตัวข้อมูลตรงนี้มาทำแผนที่ให้ดูครับโอ้จะน่าจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับใช่ใแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับนะเจนฟานครับนัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไบูร์อภิปโครับ